ลูกรักของพ่อรามาคุยกันเรื่องโบกลีต่อไปเมื่อเธอบอกว่าเธอเป็นบวกลี่น ก, กีพ่อร้อลูกนิดหนึ่งว่าคนลุกแต่ความจริงพ่อไม่รู้สึกสัมผัสตอนนี้พ่ออะไรพ่อเรื่องผีๆทั้องสางนี่พ่อชินนี่พ่ออย่างเย่ยงเธอมาในภาพสาวสวยไม่อะไรจะกลัวแต่พ่อก็สงสัยเหมือนกัน แต่ว่าพ่อเป็นนมอยู่จะมีความรู้สึกยังไงตอนนี้พ่อแก่แล้วยังไงไงมันก็ไม่ไหวอารมณ์เรื่องความรักในระหว่างเพศนี้พ่อทิ้งมาซะแล้วไม่ได้หมายความว่าพ่อเป็นพระ อ, อนาคามีพ่อมีความรู้สึกตัวว่าแก่เกินวัยไม่ควรยุ่งกับเรื่องพันี้ทั้งหากการเป็นพระ อ, อริยเจ้าหรือไม่เป็นพ่อไม่รู้ พ่อถืออย่างเดียวคือว่าต้องการธรรมะของพระเจ้าต้องการทำลายทั้งโยตจิตให้สิ้นไปแต่มันจะสิ้นได้อย่างก็เป็นเรื่องของการเวลาและเรื่องความสามารถพ่อไม่ได้กำหนงทั้งเรื่องอะไรทั้งหมดจะเป็นอะไรเมื่ อ, อไรที่ไหนก็ช่างตายแล้วมีสุขมีชีวิตอยู่มีสุขก็แล้วกันเมื่อเธอบอกว่าเธอเป็นบัวคลี่แล้วก็ลักษณะท่าทางเคยๆก็เป็นคนธรมธรมดาธรรมดา เห็นเลี้อนน้ำมาเหมือนกับคนแต่พ่อนั่งก่อนที่พ่อจะไปพ่อเขากายเขานิดหนึ่งว่าพ่อจะไปนั่งเล่นต่างลมเออพ่อจึงบอกสถานที่ไปเวลานั้นพ่อไปนั่งเล่นอยู่ที่อาคารหลังในน้ําที่มีสะพานทอดไปในน้ํานั่งคนเดียวคนอื่นก็เห็นพ่อต้องการนั่งคนเดียวเขาก็ไม่กวนถ้ารู้ใจพ่อเพาพ่อไม่สบาย อะไรก็ตามเธออนทอนกับปัญญาเกตุตุยสิริสิริรัตเนะี่ตุยหรือสิริรัตถ้าเธอเห็นว่าอะไรจะเป็นความสุขของพ่อเธอทำทุกอย่างและเมื่อพ่อเขอาอกาสไปนั่งแต่ลำพังผู้เดียวเธอก็ปล่อยเ้าก็นั่งตามสบายพ่อนั่งคุยกับโบคลีถามว่าโบครีเธอเวลานี้อยู่ที่ไหน เธอตอบว่าอยู่ที่สารนี่เจ้าค่ะถามว่าอ้าวเธอเป็นเทวดาเลยเธอก็ตอบว่าเธอเป็นเทวดาถามว่าเป็นภูมิเทวดาหรือลูกเทวดาเธอบอกว่าเป็นลูกเทวดาจี่นี่ถามว่าทําไมถึงมีบุญน้อยนักล่ะทําไมยังไม่เป็นอากาศสติวันดาเธอตอบว่าคลอดหมดตายตกใจ เขาเลือกันว่าคุณแผนผ่าท้องตายแล้วก็จะในถามว่าเวลานี้แล้วคุณแผนไปอยู่ที่ไหนล่ะ mm hmm. ต้นแผนก็ตายมันแล้พวพบก็บเธอบ้างไหมเธอตอบว่าเพิ่งพบเจ้าค่ะถามพบมาไหลาบอกพบไม่นานนัก่ถามว่าคุณแผนเวลานี้ตกนรกอยู่กลุ่มไหนเธอตอบว่ามาก่อนตกกลุ่มไหนก็ไม่ทราบเจ้าค่ะเธอไม่ได้ดู แต่เวลานี้คุณแผนไม่ได้ตกนรกลูกเธอถามว่าไทยอันเวลานี้คุณแผนอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าแล้ ว, ลวค่อยรู้กันถามว่าเธอเห็นคุณแผนแล้วนกเวลานี้คุณแผนเป็นคนหรือว่าเป็นผีเธอตอบว่าเวลานี้คุณแผนมาเป็นคนเกิดเป็นคนหลายสิบปีแล้ว <c oughs> ถามว่าหน้าที่กายงานของคุณแผนเวลานี้ทำอะไร แล้วตอบไม่เห็นทำอะไรเห็นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปขอข้าวเขากินเลยถามว่าคุนแผนในที่มีบาปมากนั่นเป็นขอทานเธอก็ตอบว่าคุนแผนนี่ยเป็นขอทานกิติมศักดิ์ใครจะให้ทานคุนแผนต้องไหว้ขุนแผนก่อนเฮ้ยชักแปกเห็นนึกในใจว่าใจนี่รวนจริงๆว่ะมันจะบอกก็เราดีๆก็ไม่ได้คุนแผนอยู่ที่ไหน ไล่ไปไล่ามาและขี้เกียจถามคุยกับโบครีดีกว่าก็นึกในใจว่าถ้าเธอไปประกวดนางสาวไทยมีหวังถ้าทางอ่อนช้อยนิ่มนนนพูดกระเสียงเพราะจริยาดียิมงถามบบครีว่าตามที่เขาเขียนไปในยายว่าคุณแผนผ่ า, ผาท้องเธอน่จริงไหมเธอตอบไม่จริงเลเจ้าค่ะฉันออกลูกพยุกต์็หรอก อรูปเปลูกลกรอกแล้วคุณแผนปญญเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีวิชานำลูกเข้าไปเลี้ยงให้ชื่อว่ากุมารทองถามว่าแล้วก็เธอตายไม่ขณะที่คลอดบุตรเลยเพราะว่าตายหลังจากนั้นมันนานเทอบอกว่าเธอป่วยอยู่ไม่นานคลอดบุตรมาแล้วไม่เกินสามเดือนเธอก็ตายอาใส่ดีก่อนจะตายพ่อแม่เวลานั้นเป็นคนนักสวดมนต์ไหว้พระ แล้วก็ทําบ้างในสมัยที่เป็นสาวเออถึงถามว่าเวลาที่แต่งงานกับคนแผนนะอายุเท่าไหร่เธ อ, อตอบว่าอายุสิบห้าปีเส ร, เสร็ตอนนั้นจิตก็ไม่เป็นบนไม่เป็นกุศลนักไม่มีใครสอนกรรมฐ า, านแบบท่านอย่างนี้แล้วองท่านก็สอนการอื่นแต่ว่าลูกผู้หญิงสมัยนั้นออกจากบ้านก็ลาบากไปไหนมาไหนก็ต้องมีพ่อแม่คุม แล้วก่ออีกบริการหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปไว้กับแม่เวลาวันพระเขารับสินก็รับกันบ้างไม่รับบ้างรับปากก็รับใจทื้งสกักปากทื้งสินหมายถึงว่าเขารับก็รับไปยังนั้นแหละไม่เต็มภาพภูมิเวลาใส่บาทเขา้าสายไปยังไงแต่เวลาใส่บาทที่แม่ห้ามเล่นต้องใส่ให้นิ่มนวลใส่ด้วยความเคารพอาศัยความดีเล็กน้อยเท่านี้มาเกิดเป็นลุกขเทวดา ถามว่าวิมานของเธออยู่ที่ศาลแลเธอบอกก็ไม่ใช่วิมานแตะอยู่ก็ต้นไทรแต่นิดเดียววิมานใหญ่ไหมถามเธอขอดูหน่อยได้ไหมเธอก็ให้ดูรู้สึกว่าวิมานของเธอสวยจริงๆแพร่พร า, ารถกันตาย <c oughs> พระราชาฐานก็สู้ไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนในเมืองมนุษย์ที่ไม่มีอะไรสู้ได้เพราะเป็นเพชรไปจริงๆ ถามว่าวิมานที่เป็นเพชรแพรพราวเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีกำลังเกินไปกว่าวิมานของลุกกระวดาและจึงอยากจะทราบว่าวิมานนี้ที่ได้ได้เดิมสวยเท่านี้แล้วมาสวยที่หลังเทอบอกว่ามาสวยที่หลังเจ้าค่ะถ่าที่ได้ถามว่าสวยที่หลังสวยยังไงเทตอบว่าเพราะอาศัยบุญ เป็นลูกเทวดาที่นี่เขาตั้งศาลเขาให้นามว่าเจ้าแม่ไสรงามตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเทวดาที่มีอํานาจมากกว่าคนอื่นลูกก็เทวดาอื่นๆมีอานาจน้อยกว่าคือมีรัศมีกายสว่างน้อยกว่าเขาจึงยกให้เป็นประธานถามว่าลูกเทวดาที่นี่มีทั้งหมดเท่าไหร่ก็เดิมทีเดียวประจําทีเดียวสิบสองท่าน เวลานี้มาเพิ่มอีกห้าท่านไปสิบเจ็ดท่านเมื่อกี้นี้เมื่อท่านถามลูกถามหลานน่ะมีคนเขานึกในใจกขาว่าทิพสองก็มีหลายคนบางคนก็นึกกว่าสิบห้าก็มีทิพเจ็ดก็มีแต่ความจริงถ้าเขาเชื่อจิตเขาดวงแรกเขานึกว่าถ้าเขาไม่จับสมาธิก่อนจิตของเขาดีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เขาแจ่มใสามากเขาดีก็ดิฉันเดียวค่ะ ทึาถามว่าเขาจะดียังไงเขายัาเป็นมนุษย์อยู่เธอก็ตอบว่าเขาเป็นมนุษย์จริงแหละแต่เทว่าอารมณ์ใจเขาผ่อนสายกายในเขาสวยมากเขาตายแล้วเขาไปสูงกระชั้นถามว่าเธอน้อยใจไห ม, มเธอตอบก็มีความรู้สึกเหมือนกันเจ้าค่ะน้อยใจนิดๆว่าสมัยเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่เราสร้างความดีไม่พอท่านถามานี้ได้ถามตอบไปว่าความดีของเธอที่ มาเป็นเจ้าแม่ดิศาเนี่เธอทําอะไรบ้างเธอก็ตอบบอกว่าให้ความสุขเขาเจ้าค่ะถ้าอะไรไม่เกินนิสัยที่จะช่วยได้เขามาบนบานแสงกล่าวเขาไหวเขาขอช่วยก็ช่วยตามกําลังถ้าช่วยไม่ได้ก็มีจิตแผ่เมตตาด้วยกําลังจิตเท่านี้แหละทาให้มันสวยขึ้นร่างกายสว่างขึ้นจึงได้ขอดูความจริงของเธอรูปร่างของเธอ ถามเธอว่าที่เธอมาให้ดูเวลาเนี่ยเป็นโูปของเทวดาและโรคของมนุษย์เธอก็บอกว่าเป็นโรคของมนุษย์เจ้าค่ะสมัยเป็นมนุษย์รุ่มด้านในชั้นแบบนี้เห็นก็ตกใจว่า uh huh. คิดว่าถ้าเราเป็นนมอยู่ถ้ายานี่จะเดินไปขนาเราวิ่งตามแง่ๆเลยยังไงไงกวดยันบ้านแน่เป็นตายได้ดียังไงไงก็ต้องลองกรดูพัก จะตกลงด้วยหรือไม่ตกลงด้วยก็ต้องลองดูกาพนี่มนุษย์ของแกสวยขนาดนี้ยิ่งขอดูภาพเป็นเทวดาของเธอแม้แพร่ราวสวยก็มากบางเจ๋อเหมือนกับรูปภาพยนตร์บางมากเธอก็ยิ้มยิ้มแล้วแล้วก็กลายร่างจากเทวดามาเป็นคนตามเดิมเนี่ยถามต่อไปว่าสําหรับขุมารทองเวลานี้ไปอยู่ที่ไหน เธอบอกว่ากุมารทองณเวลานี้อาศัยที่พ่อเขาเป็นคนใจบุญบอกเอ๊คุณแผนน่ะเจ้าชู้ใจบุญนล้เขบอกว่าใจบุญมีเมีย ม, มากเพราะใจดีชอบผู้หญิงรักความจริงผู้หญิงหลายคนมาหาคุณแผนเองคุณแผนไม่ได้ไปหาอันนี้โทษไม่ได้ว่าเป็นคนเจ้าชู้ แเนื้อแท้จริงๆเป็นคนใจบุญมีความกตัญญูลูกคนบิดามารดาผู้มีคุณและว่าได้ทาบุญขนาดใหญ่ให้กัลูกสามครั้งเพือทําบุญถวายสังฆทานด้วยสร้างวิหารทานด้วยโบทพระด้วยเพื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วก็สร้างถวายวิหารทานถวายสังฆทานบทพระเสร็จเพื่อให้ลูกกุมารทองเพราะว่าลูกกุมารทองนี่เป็นกําลังใหญ่มากในการรบ ในการทำงานทุกอย่างรู้สึกว่าพ่อรักมากฉะนั้นเวลานี้ลูกกุมารทองจึงมีชีวิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเงินถามว่าเออเวลานี้เขามีพระอริยเจ้ามากเทวดาทำบุญต่อได้อยากจทราบว่าลูกกุมารทองและแม่โบคลีเนี่ยเป็นพระอริยนี่ยังเธอตอบว่าเป็นแล้วเจ้าค่ะ นี่น่ารัศมีกายไม่สวยมากถามว่าโบกี่จะลงมาเกิดอีกไหมไแ้บอกว่าเวลานี้เขาหนีกันทั้งนั้นเจ้าค่ะไม่มีใครเขาอยากเป็นมนุษย์ทีฉันก็เลยหนีบ้างถามว่าพวกที่มาทั้งหมดเนี่ยโลกโลกของฉันที่นั่งอยู่เจ็ดแปดคนนั่นเคยรู้จักกันมาก่อนรวเปล่าแกก็เลยชี้ไปที่ตุ๋ยพองคนนี้ยเคยเล่นมาด้วยกันเจ้าค่ะ แต่ว่าคนนั้นไม่เห็นนะนั่งคุยคุยไปคุยมาอยู่พักก็เป็นอันว่าถึงเวลาก็ เ, เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะลาถ้ามีโอกาสแล้วก็ช่วยสงเคาะดีนะแล้วก็สงเคราะสองคนผัเมียนั้นะโดยเขาดีจริงๆบอกไม่เป็นไรเจ้าค่ะเป็นพี่น้องกันถามว่ากลางคืนจะไปคุยเขาได้ไหมบอกไม่ได้แล้วคนผู้หญิงก็กลัวผีเจ้าค่ะเด็กก็หาว่าดีฉันเป็นผีดีไม่ดีบ้านช่องพังหมด เป็นนั้นว่าคุยกับโบครีดสันจะาแม่ใส่งามเวลานี้เธอเป็นพระอารียาเจ้าภู ม, มาณทองก็เป็นพระอารียเจา้าเป็นคนที่มีอำนาจสำคัญอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงต้องคิด ล, กลกูกลูกฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง ล, ลูกเพลนนะฟังแล้วรู้สึกว่าเพลินแต่พ่อคุยให้ฟังเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกคิด ว่าบวบคลีนี่ความจริงก็มีชีวิตคนเราๆนะใช่ไหมลูกทุกคนรับไปใช่ดีแล้วลูกแต่โบคลีก็เป็นคนสวยบวกคลีมีสา ม, มีเป็นพระบำราบพอลินหรือคนแผนเป็นแม่ทัพใหญ่ของสมเด็จพระพษาพระพันษาเนี่ดูว่าก็จะไล่ไปเป็นราชการที่แปดของสุโขท้าของของยุติยา พระเจ้าสามพญาเ <c oughs> ่ยือิธีการที่ตะไลไม่ทราบพระเจ้าสามพญานี่ชื่อจริงๆรู้จย่เป็นพระอะไรสมเด็จพระอะไรนึกไว้ออกสลายนะ <c oughs> นึกไว้ออกวันที่พ่อนึกออกวันที่พ่อนึกไว้ออกขี้เกียจทนถามแ <c oughs> ย่เลยว่าเธอเป็นคนอย่างเรา <c oughs> เดิมทีเดียวเธอก็มีคันห้าอย่างเรา <c oughs> นึกโดยให้ดีนะลูกนะ <c oughs> ในเวลานี้เธอมีกายเป็นทิพย์คันห้าไปไหนลูกหายไปหมดแล้วจมดินจมทรายไปหมดถูกลูกและลูกคิดหรือเปล่าว่าคันห้าของเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างบบคลีทุกคนยอมรับว่าเป็นสมมติว่าทุกคนจะตายเวลานี้จะห่วงคันห้าคือร่างกายไหมทุกคนตอบว่าไม่ห่วงดีมากลูก แต่ว่าอย่าลืมนะลูกนะเวลานี้เราคุยกันเรื่องธรรมะขณะใดที่คุยธรรมะสร้งสนทนาโดยธรรมขณะนั้นจิตย่อมว่างจากกิเลสแต่ว่าเวลาที่เลิกคุยธรรมะแล้วลูกยากจิตไปก่อกิเลสมากเกินไปนะกิเลสเรายังมีแต่ว่าแรงที่เราจะฆ่กากิเลสก็ต้องมีด้วยพยายามทรงบา ร, รมีสิทธิ์ให้ครบถ้วนทรงศีลในบริสุทธิ์ทรงพรมิหารศีลละคติศี พยายามตัดสังโยกให้มากที่สุดให้บานที่สุดเราจะเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นก็ช่างเราท่องเที่ยวพระนิพพานได้จงใหญ่คิดว่าเราถึงพระนิพพานแล้วนั่นวเวลามีโอกาสไปเที่ยวก็เช่นเดียวกับเรามาที่ใส่งามนี่ที่อื่นที่จันทึกก็ร้อนจัดที่อำเภอบวัวใหญ่ก็ร้อนจัด และออกไปข้างนอกบริเวณไสรงามก็ร้อนจัดนี่เรามานั่งใต้ร่มไสรงามเราเย็นสบายไม่มีใครมีเหงื่อไม่มีใครแสดงความกังวนกระวายถ้ <c oughs> เาเป็นอันว่าเรามีความสุขไสงามนี่ถ้าเป็นบ้านของเราจะมันจะมีความสุขมากแต่ก็เราก็มีแต่โอกาสมาเที่ยวเท่านั้นประเดี๋ยวเราก็ต้องกลับจันทึก และ ว, วันพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางจากชันทเทกลับกรุงเทพและกลับอุทยธานี <c oughs> ลูกจะไม่ดีว่าการที่ลูกได้มโนมยิทธิไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ไปถึงนิพพานได้จงอย่าเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของนิพพานและว่านิพพานจะเป็นสมัยของเราแน่นอน ถ้ากําลังบารมีเราไม่สามารถจะตัดสัญญอด้วยสิบเราก็ไปนิพพานไม่ได้แต่จงตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าขันห้านิพพังเมื่อไรเราจะไปเกิดบนสวรรค์หรือพรมก็ตามถ้ายังไม่ถึ ง, น, ถงนิพพานเพียงใดเราจะไม่ยอมลงเราจะตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบารมีต่อไปให้ถึงนิพพานให้ได้เพราะถ้ากําลังใจเราคิดไว้ตั้งแต่ขณะนี้ถ้าตายลงไปแล้ว ไปเป็นท่วันดาหรือผมก็ตามทีเราก็จะตอบบุญบารมีอย่างโบคลีเนี่ยโบครีเธอกล้ายืนยันว่าเธอไปนี่พันแน่เธอไม่กลับดีใจไหมความจริงถ้าลูกจะสามารถละลึกชาติได้เราอาจจะคิดได้ว่าโบครี่รคือเป็นมิธีดีในการก่อนของเรานั่นเองนี่เวลานี้ทุกคนฟังเสียงพ่อ ก็ลองอาจิตจับเป็นสมาธิวิธีใช้สมาธิปัจจุบันทันโดวนนะลูกในสักครู่นี้พ่อถามว่าที่นี่ลูกคเทวดามากี่คนมีกี่คนทุกคนรวมกำลังใจลงเป็นสมาธิจับลงให้ใจเขาออกอันนี้ไม่โถกนะลูกนะอันนี้ถ้าทำอย่างนี้เชื่องช้ามากไม่ทันเวลาดีไม่ดีกว่าทานก็กินตามปกติเขาต้องใช้แบบนี้เราจะคุยกันอยู่คนดี เราจะทำงานอยู่ก็ดีอารมณ์ใจของเราจะอยู่ในสมาธิคือในจุดๆนั้นเราทำงานจิตอยู่ที่งานเราคุยเรื่องอะไรจิตอยู่ที่คุยเวลานี้เราคุยธรรมะจิตอยู่ที่ธรรมะเมื่อจิตรอรับฟังธรรมะอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตเป็นสุขจิตมีสมาธิจิตสะอาดปราศจากกิเลสถ้าพ่อถามอะไรมาปั๊บอจิตจับทันที เขาถามมาที่นี่รูกเทวดามีกี่กที่ท่านแล้วก็จับปั๊บทันทีว่าลูกเทวดามีเท่าไหร่จิตจะบอกทันทีอารมณ์เป็นทิพย์ท่นจะถูกต้องแต่ปริมาณนี้อาจจะยอดหย่อนกันไปบ้างทั้งนี้เพราะว่าเทวดาก็เทวดานั่นแหละเทวดาถ้าเป็นมิตรท่านอดที่จะล้อจะเลียนไม่ได้ดีไม่ดีท่านมาสิบท่านแสดงสามใ ห, ห้เสามอนุภาพเราสู้ท่านไม่ได้ เพราะท่านมีทิศทางกายเราเป็นเฮียแค่มีใจเป็นทิศสู้ท่านไม่ได้เมื่อสู้ท่านไม่ได้แล้วทาไงท่านก็บังเอาได้ท่านก็หลีกเอาได้เล่นเอาได้เป็นอันว่าคําถามที่ตอบมามันจะผิดได้ถูกที่หลังลูกจําไว้ว่าจงอย่าใช้กําลังใจชาเพราะพ่อถามพับเดียร์โลกสงบจิตทันทีดึงจิตกลับเชอารมเดิมอันนี้ไม่ถูกไม่ต้อง อันดับแรกถ้าหากว่าะใจดีก่อนที่จะไปไหนทํากําลังใจให้ดีถึงที่สุดนั่งรถอยู่จับอนาปาโนสติกับคําภาวนาให้ทรงตัวแล้วขณะที่อยากจะรู้หยุดภาวนาหยุดจับลมให้ใจเขออกจับอารมณ์รูดทันทีเวลาที่คขาคุยกันอยู่อยากจะรู้ว่าจับอารมณ์รูดทันทีอย่าะหันไปกลับจับลมให้ใจเขาออกกับคําภาวนา เท่านี้ดูทำไปบ่อยๆจิตจะคล่องจะได้ของจริงเออพ่อก็คิดว่าเรื่องการคุยกั น, นี้ก็น่าจะใกล้จบพ่อคิดว่าจะคุยเรื่องต้นไม้แลกกลายเป็นคุยเรื่องบบคลีก็ดีไมกันพ่อลืมถามไปนะเวลาจะหมดซะแล้วเวลารู้เกือบจะได้เวลากลับ เกือยากจะถามว่าใครเห็นวอลครีบางไหมจ้ะแต่ดูแั้นว่าคุณหมอลันจวนจะเจอท่านมันๆนะมั้งมันขอมเขากล่าวกันว่าที่ท่าเจดีและประสาทหินที่ใหม่มีมีอยู่สามมันเป็นผู้สร้างมันหนึ่งแล้วก็มันที่อะไรกับมันที่อะไรกันมันว่ารมันบรมัน แกสร้างแล้วก็วันพรุ่งนี้แอดไม่ใช่วันนี้ละ ว, ว่าเดี๋ยวหนึ่งเราก็จะคุยกันเรื่องมันๆต่อไปตอนนี้คอยลูกทั้งหมดทั้งกำลังใจอย่างบัวคลี่นะดูบัวคลี่เป็นตัวอย่างแล้วก็ดูสายของบัวคลี่เป็นตัวอย่างดูอาคารริมชายน้ำที่ทอดไปในน้ำเป็นตัวอย่างแล้วก็ดูต้นไสรเป็นตัวอย่าง โดยเพพาะอย่างยิ่งต้นไทรเดิมที่เกิดโตเกิดขึ้นมาใหม่ๆต้นคนเล็กไม่โตแต่เวลานี้เวลาผ่านไปสามร้อยปีเศษต้นไทรมีใหญ่สาขามากแต่ลูโจนอยากคิดว่าของที่มีอยู่นี่มันเป็นของเก่านะความจริงของเก่ามันสลายตัวไปของใหม่ม่เกิดแทน แลูกอาจจะเถียงว่าต้นไทรนี้ก็ต้นเดิมอันนี้พ่อไม่เถียงถ้ามองกันด้วยตาจะเห็นว่าต้นไทรเป็นต้นเดิมถ้าจะเห็นด้วยปัญญาจะเห็นว่าต้นมาต้นไทรเป็ต้นเก่าตายอยู่เสมอต้นใหม่เกิดใหม่เสมอถ้าต้นเดิมจริงๆต้นไทรปัจจุบันก็ไม่ต้องกินอาหารในเวลานี้รากของต้นไทรกาลังกินอาหารทั้งใต้ดินทั้งอากาศ เลยไปถ้าอยู่ไกลน้ำํำดิแห้งแล้งตน้นทรายต้นนี้ก็ผุพังไปนานแล้วนี่ของเก่ามันหมดไปของใหม่มันแทนที่ก็เมันก็ร่างกายพวกเรานี้ที่เราต้องกินอาหารทุกวันทุกวันก็เพราะว่าของเก่ามันหมดไปของใหม่มันเกิดขึ้นมาแทนเมื่อของใหม่เกิดขึ้นมาแทนทันยังไงของเก่าสลายตัวไปถ้าเราไม่เอาของใหม่เข้าไปแทน เราก็พังไปเมือนก็ร่างกายของโกครีไปดูสายของแม่เจ้าแม่ใส่งามเขาสร้างใหม่ๆก็สวยเวลานี้ก็สดสวมา ก, กเหมืนกัร่างกายของเรานั่นไม่มีอะไรทดแทนมีแต่สีเทา่าน้ำมันที่เขาทาแต่เนื้อแท้จริงๆของไม้มันถูกให้เราเห็นอาคารที่ทอดไปในนะ้ําใหม่ๆพ่อมาก็สวยพ่อมาก็ใหม่ๆนักแต่ก็ยังสวยกว่า น, นี้ มาปีนี้ดูสิว่าสีสุดสนมันเป็นมากไม้ก็เก่าลงบ้างส่วนผุเห็นไหมโลกรักทุกเสียงทุกอย่างในโลกที่เกิดมาแล้วมันต็นอนิจจังไม่เที่ยงหมดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปตามที่พระธร่าปางสกุลคือเป็นคะถาที่พระกัพระยิงกล่าวพระพุทธเจา้านิพันว่าอนิจจาวเดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันทุโสมตามที่เห็น อุ ป, ปาทรรมยธรรมมิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันก็เสื่อมนะเนี่ยอย่างเราเราก็แก่ต้นสายก็แก่สายก็แก่บ้านก็แก่อุ ป, ปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันก็ร่างกายของของโบคลีโบคลีเวลานี้เธอสวยก็จริงพ่อพูดหนี่เทอก็มาอยู่ใกล้ๆนะที่นี่มีรูกกฐิวนวัดาสิบเจ็ดท่าน นลนั่งอยู่ที่พวกเราทั้งหมดถ้าเรามาด้วยกันก็มีลู ก, กเสว์วดาเยอะอากาศเสตววดาก็มีพรมก็มีลูกใช้จิตเพื่อรู้เดี๋ยวนี้จะรู้ได้ทันทีเราเรียกความเมตตาปราณีจากท่านประสงค์ความดีแต่ท่านประสงค์ความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็มีร่างกายเหมือนเราแต่เวลานี้ร่างกายของท่านพังไปหมดแล้วโลรักอย่าลืมนะ ว่าการเกิดมีชีวิตของเราคล้ายกับเรามานั่งอยู่ใต้ใต้ร่มไสรงามร่างกายคือขันห้าคล้ายร่มไสรงามจิตก็้ามาใส่สถิตอยู่ภายต้นใส้ใต้ใต้ต้ใต้ไสรงามมีความสุขแต่เมื่อการเวลามาถึงเราก็ต้องลุกจากที่นี้กลับที่เดิมนั่นก็คือเหมือนกับจิตที่เข้ามาใส่ต้นไสรงามมาถึงวาระแล้วจิตก็ต้องพลากไป ฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าจะอยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีคิดว่าในช่วงวินาทีปัจจุบันนี้เรามีชีวิตอยู่เราจะตัดสินใจตามสมเด็จพระบรมครูว่าโลกไม่เที่ยงอารมณ์ของเราเป็นอย่างนั้นโลกเป็นทุกข์อารมณ์ของเราเห็นอย่างนั้น โลกเปียนัตตาอารมณ์เราเป็นอย่างนั้นนิพานังประมังสุ ข, ขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพานังประมังสุนอย่างนิพานเป็นธรรมว่างจากอารมณ์ชั่วยอย่างยิ่งฉะนั้นขอบันดาลูกชายลูกหญิงทั้งหมดจงพากันกนําหนดจิตตัดสัญญาติระการมีสกายาติฐิวิจิกิจชาศีรพตปรตาปรมาตตกามราคะประิยภะ รูปราคะรูปราคะมะนะอุตจอวิชาทำลายอย่างยิ่งคืออวิชชาคือความโง่ให้สินไปกำลังใจของลูกทั้งหลายจะบริสุทธิ์ปรต้องจะมีแต่ความสุขสำราญพนิพัน์อยู่แค่เอื่มนะลูกนะสำหรับตอนนี้พ่อก็ต้องขอหยุดนี้น่ึงนะลูกนะเพราะว่าเพพมันหมดแล้วนี่คุยกัน ในเมื่อเราคุยกันแล้วแล้วก็เอาเสียงไว้ฟังกันด้วยช่วยเป็นที่ ร, ระลึกว่าปรีว่าวันที่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยี่สิบสองเราได้มานั่งคุยกันที่โคนต้นไสรงามใต้ร่มไสรงามและอยู่ในดินแดนที่บัวคลี่ซึ่งเป็นสายเก่าของพวกเราได้เป็นเจ้าที่คือเป็นใหญ่อยู่ในที่นี้เห็นไหมลูก กำหนดจิตสักนี้สิ่ัวขี้ยกโมทนาความดีเขาโลกท่านลูกกเทวดากัสเทวดาพรมทั้งหมดท่านยกมือขึ้โมทนาเอาข้อของเวลานี้นะเปลี่ยนหน้าทิพเราจะได้คุยกันเรื่องอื่นต่อไป